ความที่เราเข้าไปสงบในแต่ละครั้งเพราะว่าการที่เข้าไปสงบในแต่ละครั้งนั้นมันเป็นผลไปจากสมาธิตื่นว่าสมาธิลึกคือความสงบจนเกิดความนิ่งในที่สุดก็เข้าพวังไปเพราะสมาธิลึกนั้นเป็นส่วนของการเสวยผลเป็นแหล่งให้เกิดศรัทธายิ่งขึ้น เนื่องจากได้พบความสุขที่มากยิ่งในการสัมผัสและรู้สึกของสมาธิลึกซึ่งนั้นจะมีความซาบซึ้งอย่างยิ่งความเกิดขึ้นของความสุขตรงนี้จะมีความอย่างลึกเข้าสู่ความเชื่อมัน่นสมาธิลึกเกิดจากสมาธิตื่นที่ได้ก่อตัวมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดพลังจิตที่ได้ถูกสะสมขึ้นมามากพอสมควร จึงจะทำให้สมาธิลึกก่อตัวขึ้นด้วยเหตุนี้ทั้งสมาธิลึกและสมาธิตื่นจึงมีส่วนเกี่ยวพันสมาธิตื่นเป็นสมาธิใช้งานสมาธิลึกเป็นส่วนที่ช่วยแรงสนับสนุนพร้อมกันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงแห่งความสุขที่ได้สัมผัสและเป็นเครื่องบ่งบอกว่ามีความสุขจริง เนื่องจากความประสงค์และความปรารถนาของทุกคนนั้นอยู่ที่ความสุขอย่างไรก็ตามความสุขแม้จะเป็นความต้องการก็จริงแต่ความสุขนี้จะไม่ปรากฏอยู่ตลอดไปจะมีการหดตัวลงหรืออาจจะหายไปเลยจึงเกิดเป็นความเสียใจขึ้นมาได้ในที่นี้จำเป็นต้องเข้าใจในตนเองว่าเมื่อความสุขหายไปก็ต้องทาใจ หมายถึงต้องทราบข้อเท็จจริงเพราะความสุขจะอยู่ได้ด้วยกำลังของสมาธิพอหมดกำลังแล้วก็จะสลายตัวไปเองต้องเข้าใจตามความเป็นจริงจึงจะไม่เกิดความเสียใจในเมื่อความสุขนั้นหมดไปและแล้วการสร้างขึ้นของสมาธิก็จะต้องสร้างขึ้นต่อไปอีกตามลําดับทีนี้ เรายังไม่ได้อธิบายไปถึงฌานเราอธิบายแต่สมาธิแต่ก็จำเป็นที่จะต้องก้าวข้ามอธิบายถึงชานนิดหนึ่งเพื่อให้เป็นการต่อเนื่องเพราะว่ า, าความที่เกิดความสุขเกิดความสบายขึ้นมานั้นอันนี้เป็นเรื่องของฌานเรื่องของฌานก็คือว่ า, าสมาธิเนี่ยจะเป็นต้นเหตุ คือฌานจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ฌานจะต้องเกิดขึ้นจากสมาธิสมาธิเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดฌานฌานนั้นจะอยู่ได้เมื่อสมาธิมีกําลังมากเขาก็อยู่ได้นานถ้ามีกําลังน้อยก็อยู่ไม่ได้นานและเปรียบอีกอย่างหนึง่งก็เหมือนกับว่า เ, เวลาเรารับประทานอาหารเนี่ย ความอิ่มความอร่อยถือว่าเป็นฌานส่วน อ, อ, อาหารที่จะเข้าไปเป็นวิตามินโปรตีนต่างๆนี่ถือว่าเป็นสมาธิความอิ่มอร่อยนั้นน่ะไม่ได้ไปเป็นเนื้อเป็นหนังไม่ได้ไปเป็นเลือดเป็นเนื้อแต่ว่าการที่เคี้ยวอาหารลงไปนั้นน่ะอันนั้นต่างหาก ที่จะไปเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นวิตามินโปรโตีนต่างๆให้แก่ร่างกายอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนกับสมาธินั่นเองที่มีความรู้ตัวอยู่ที่เรารู้สึกว่าโอ้ยนั่งสมาธิวันนี้มีเห็นมันสบายเลยนั่งสมาธิวันนี้ฉันไม่ได้สมาธิวันนี้เมื่อวันก่อนฉันได้นี่นี่นี่พูดอย่างนี้บางทีอาจจะต้องเข้าใจผิด ไอ้ที่ว่ได้นั้นมันคือฌานอแต่ว่าสมาธิมันได้อยู่ทุกครั้งของการทํำนี้ไอ้ที่มันไปเกิดความสุขนะมันเกิดความสุขตรงฌานไอ้ฌานเนี่ยเพราะฉะนั้นออย่าไปเข้าใจว่าเวลาเราเกิดความสุขแล้วประโยชน์อันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นอประโยชน์ยิ่งใหญ่จริงๆนั้นอยู่ที่สมาธิ อยู่ที่ความรู้สึกตัวอยู่ที่ความมีสติอยู่ที่การตั้งจิตให้ตรงมีสติแต่ในขณะนั้นๆ่นเองฌานเนี่ยนะมันก็มีน้อยบ้างมากบ้างหรือว่ามันเป็นฌานที่จะต้องเกิดขึ้นทีละนิดละนิดอย่างที่เราทำสมาธิไปเนี่ยพอมันไปสงบมากเข้ามากเข้า มันจะเกิดขนพองสยองก้าวเกิ ค, ความเอิบอิ่มอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะค่อยๆเกิดแต่ว่าสิ่งที่เกิดอันนั้นน่ะต้องเปรียบเหมือนกันก็ว่าความอิ่มอร่อยทีนี้เราจะเห็นความสาคัญอย่างไรของความอิ่มอร่อยความอิ่มอร่อยนี้มันก็เป็นความสำคัญที่ว่าเราต้องการที่ถ้าหากว่ามันไม่อิ่มอร่อยเราก็ไม่รับประทานแต่เมื่อ ต้องการความอิ่มอร่อยมันถึงจะรับประทานก็เช่นเดียวกันกันกบเรื่องของฌานอ่า <c oughs> ทีนี้เมื่อไปถึงเรื่องของฌานและสมาธินั่นต้องอยู่ในขั้นลึกถ้าอยู่ในขั้นตื่นเนี่ยมันจะเป็นฌานไปไม่ได้อ่ายังเป็นฌานไม่ได้จะต้องมาอยู่ขั้นลึกจิตจะต้องลึกลงไปแล้วจึงจะเกิดเป็นฌานขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น สมาธิลึกนั่นน่ะหมายถึงว่าอยู่ในฌานสมาธิตื่นนั่นน่ะหมายถึงความรู้สึกตัวอย่างที่ว่าสมาธินี่พอมันเป็นสมาธิขึ้นมาคนไอคนจามคนพูดกันอะไรนี่เรารู้หมดรู้หมดรู้สึกหมดแต่ในขณะเดียวกันจิตมันก็เป็นสมาธิ ระดับลงไปอย่างนี้เรีย ก, กว่าสมาธิตื้นทีนี้เมื่ อ, เ, อเราดำเนินการไปจนกระทั่งจิตเนี่ยเหลืออันเดียวไม่ได้ไปไหนเลยมั่นคงแข็งแรงมีสติก็ยังถือว่าเป็นสมาธิตื้นือว่าเป็นสมาธิตื้นนั้นคือเขาต้องจับอารมณ์อยู่มีอารมณ์เป็นเครื่องจับยึดอยู่ นั้นพอจากนั้นไปถ้าเป็นสมาธิลึกหนะึ่งหมดความรู้สึกตัวเข้าพวังไปแล้วหมดความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเ อ, อในการอธิบายหรือว่าในการทําความเข้าใจเนี่ยเราจะต้องทําความเข้าใจต่อผู้ที่จะมาศึกษาสมาธิว่าสมาธิเติ้ลเนี่ยมันมาระดับหนึ่งเออ สมาธิเลิกนี่มันมาระดับหนึ่งอย่างเนี้ยแล้วมันเอาไปไหนลเลยไอ้ผังสมาธิมันหายไปไหนอะ่ะมันอยู่เล่มนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อยังไม่ทันถึง <c oughs> อธิบายยังไม่ทันถึงเออนี่ื <c oughs> มันอมันอยู่หน้าเจ็ดสิบเอด ข้ามไปเลยก็ได้เพราะว่ารุ่นนี้ยังไงเซจะต้องสอนให้เร็วที่สุด <c oughs> เพราะว่าติดปีกแล้ว <c oughs> หน้าเจ็ดสิบเอ็ดแผนผังการทำสมาธิของหลักสูตรสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพวิวพาวเวอร์อินสติทิวอันนี้เป็น เป็นผังอันนึ่งเนี่ยผังนี่เราเปิดดูผังเราดูวงกลมวงกลมที่ผังเนี่ยอันนี้วงกลมที่ผังเนี่ยเป็นที่ตัดละหวางสมาธิตื่นและสมาธิลึกเอาจุดนี้เป็นจุดจุดที่หมาย เราขีดเส้นไว้นี่เพราะฉะนั้นถ้าสมาธิลึกนี่เราเขียนไว้อยู่ที่นี่แล้วเขียนไว้แล้วเนี่ยสมาธิตื่นนี่ลูกศรมันขึ้นไปเนี่ยสมาธิลึกนี่มนลงมานี่ลงมาใต้นี่แล้วทีนี้ <c oughs> ไอ้เราจุดลูกน้ำเล really? mm ็กๆๆๆๆๆไว้เนี่ยมองดูพอเวลาเอารงมาแล้วเนี่ยเราจะมีเอ่อหนึ่งก็จุดลูกน้ำแล้วถอยหลังขึ้นไปหาจิตปกติมาถึงสุดท้ายก็มีจุดลูกน้ำถอยหลังไปถึงปกติอย่างเนี้ยเออคือจิตของคนเราเนี่ยอาจจะไปถึงแนววัญญาอาจจะไปถึงสมาธิเล็ก นั่งอยู่ที่นี่อาจจะมีใครสักคนไปถึงสมาธิลึกก็ได้แต่ว่าสมาธิลึกมันก็มีรูกน้้าถอยหลังกลับมาหาปกตปกติก็เหมือนเราธรรมดาเนี่ยแต่ว่ามันไปลองสัมผัสดูสักนิดหนึ่งอาจจะสัมผัสได้ <c oughs> แต่ว่าส่วนมากมันคงจะต้องไปสัมผัสบนดอยอินทนนท์นั่นแหละ <c oughs> ยังไงก็ตามเอ่อ สมาธิลึกเนี่ยทำอะไรไม่ได้ลองดูสิเนี่ยสมาธิลึกก็คือสบายเฉยๆทำอะไรก็ไม่ได้แล้วลึกชาติก็ไม่ได้รักษาโลกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวมีตนแล้วเขาเรียกว่าอารูปฌานอารูปฌานคือไม่มีรูป มีพระอยู่สีองค์ด้วยกันถ้าไม่เล่านิทานเลยสักเรื่องมันคงไม่จบอะ่ะ <c oughs> มีพระอยู่สีองค์ด้วยกันตอนที่หลวงพ่อเป็นเนนบวชได้เดือนหนึ่งอาจารย์เขาเล่าให้ฟัง <c oughs> ว่า <c oughs> เนนแกกลัวตายไหมบอกว่าไม่กลัว ไม่กลัวแล้วไปก็เลาถ้ากลัวแล้วอย่าไปท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีพระอยู่สีองค์ตั้งใจอย่างเด็ดเดียวว่าฉันต้องถึงพระอาหารหันต์เอาให้สาเร็จให้ได้ก็พากันเดินทะดงเข้าไปในป่าลึกพอเดินทะดงเข้าไปในป่าลึกแล้วก็เอาตัดไม้ไผ่เนี่ย เ, เป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อน ใส่หน้าผาสูงแล้วก็บนหน้าผามันมีมีเพิงถ้ำเพิงๆอยู่ขงบนหน้าผาพอไปถึงบนหน้าผาเนี่ยก็สูงประมาณเกนะือบร้อยเมตรน่ะก็คงจะเท่าๆกับยอดพระมหาเจาดีย์เรานี่แหละ <c oughs> เสร็จแล้วเขาก็ช่วยกันถีบเอ้เอ้ถีบไอ้ไม้ทีบพาดขึ้นไปนะ่ะ หีบทิ้งเลยหมายความว่าถ้าไม่สำเร็จก็ตายแน่อ <c oughs> พอบรรลุได้เจ็ดวันองค์ที่หนึ่งได้สำเร็จพะไปไปถึงก็บินาบาทมาเลี้ยงสามองค์สามองค์กว่าไม่ยอมอแกกินกันเดอะฉันตายก็ช่างมัน ผมเราไปบินทบบาทมาอีกมากก็ไม่ยอมอีกเสร็จแล้วเป็นไงตายเรียบตายเรียบตายเรียบร้อยได้องเดียวสามองได้องเดียว <c oughs> แต่ว่าอีกอง์นึ่งเนี่ยถึงยังไงอีกองหนึ่งเขาก็ได้สำเร็จเป็นพระอนาคาและเขาก็ไปอยู่ชั้นอากาศนิทาพบ ยังเหลืออีกสององคอ์ต้องกลับมาเกิดในเมืองมนุษย์อีกตายแห้งตายไปตายกลับมาเกิดคนนี้นกลับมาเกิดในท้องภิกษุณีแล้วการภิกษุณีมีลูกอะ่ะทีนี้เขาก็จะปรับสินะมีนางภิกษุณีองค์หนึ่งตั้งท้องขึ้นมาอา้าวแล้วกัน นางภิกษุณีมีทองได้ไงว่างั้นนะแ่จะก็ทีนี้ทางาทุกคนเขาก็พากันลงความเห็นว่าเป็นประราชิกต้องจับศึกแน่แต่ว่าในครั้งนั้นยังมีนางวิสาขาที่เขามีตาทิพแล้วก็เขาก็รู้อดีตรู้อนาคตเขาก็มาะพิจารณาดูเขาก็มานับ ว่าเล็บนี่มันแดงแค่ไหนก็รู้เลยว่าท้องนี่มันตั้งมาแค่ตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างเงี้อแนาวิสาขาเขาเป็นหมอดูด้วยเนี่นะดูเล็บคือเล็บผู้หญิงเนี่ยต้อมันจะแดงขึ้นมาแค่นี้ถ้าหากว่าตั้งท้องเท่านั้นเดือนโอ้ยนี่บวชมากี่เดือนแล้วเนี่ย อ, อ๋อบวชมาหกเดือนออหกเดือนนี่ แกมันท้องนี่ของแกมันเจ็ดเดือนแล้วว่อวนแสดงว่ามีท้องก่อนมาบวชเป็นนางภิกษุณีกะเลยรอดตัวไปแล้วพอเกิดลูกขึ้นมาก็ทีนี้ก็รักลูกเลยทีเนี้ยไม่เป็นอันทรรมสมาธิลูกทีนี้เมื่อเด็กนั้นโตขึ้นมามันก็ร้องโอ๊ยเด็กจะใครว่า มันเรานั่งสมาธิมันก็ร้องนางภิกษุณีทั้งหลายก็เลยถกลงไม่ต้องนั่งสมาธิกันแล้วพระเจ้าแผ่นดินบัดเสด็จโกศศนู้เข้านี่น่ากลัวจะทำให้นางภิกษุณีเกิดโกลาหลก็เลยจับอเอาไปเลี้ยงเสียเอาไปเลี้ยงีิพระราชวัง <c oughs> พอตตขึ้นมาหน่อย พวกเขาก็มันดื้อเนี่ยก็ไล่ตีคนอื่นเขาก็เลยบอกว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อมึงมาตีกูเ่างอนะกูไม่มีพ่อกูจะเกิดได้ยังไ ง, นะงเขาบอกเนี้ยมื่อไม่มีพ่อเขาบอกนะเลยไปถามแม่ดูก็เลยได้ความว่าพ่อเขาหายไปจริงๆเนี้ยเลยไม่มีพ่อพ่อไม่มีแล้วเพราะว่าแม่ปวยเป็นน้ำทิษสุนีแล้ว เลยก็เลยสลดใจแล้วก็มาพอมาแล้วก็ไปนั่งสมาธิเท่าไหร่ก็ไม่ได้สำเร็จพอดี อ, อ, องที่ไปนั่งสมาธิด้วยกันที่ตอน อ, อ, อยู่บนหน้าผา <c oughs> เขาได้สำเร็จเป็นพระนาคาเขาก็เลยมาคิดว่าเออเพื่อนกันเมื่อนหน้าจะได้สำเร็จเลยลงมาแสดงตัวเป็นเทพ มาถึงกเทศให้ท่านพระองค์นัานฟังจบพระก็ได้สำเร็จเป็นพระรอรหันต์วันนี้ได้สำเร็จแล้วไปถึงดูแม่โอ้ยแม่ยังไม่ได้สำเร็จอะไรเลยมัวจะคิดถึงลูกมันก็รู้ทีนี้พอเสร็จแล้วแม่ก็เลยวิ่งตะลีตาลานมาจะมากอดลูก ลูกก็กำลังเป็นพรงอยู่ว่าะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเพราะว่านันนะนอะรอรบวดมาจนกระทั่งแฟนนี้ไปวันนั้นไม่ใช่แม่ลูกกันแล้วแตเ่เขาเขาด่าแบบต้องการจะให้ได้สติอก็กเลยคิดว่า้ลูกนี่เราสารลับมันเกือบตายหน่อยแน่พอไปถึงบรรดาเราซะนี่ไม่รับหัวมันละเลิกกันที เราไปนั่งสมาธิได้สำเร็จพระระหันในวันนั้นลอดตัวไปแล้วก็ยังเหลืออีกคนหนึ่งที่ยังตายแห้งด้วยกันสองคนเนี่ยก็พอดีเรือแตกเนี่ยพอเรือแตกแกก็ว่ายน้ำข้ามทะเลมาขึ้นบกขึ้นบกก็เสื้อผ้าไม่เมีตัวเปลือย ผู้คน ก, นก็เลยคิดว่าโอ้ยนี่พระราหันมาแล้วเขาไปไหว้กันใหญ่ดูสิคนเราเป็นอย่างงั้นแก้ผ้าถือว่าสำเร็จพากันไปไหว้กันใหญ่ไอ้ตัวเองก็นึกว่าสำเร็จจริงๆสิคนนั้นก็นมาว่าพอดีก็เทพองค์นั่นละ่ะทิพไปอยู่ในชั้นอากาศนิฐาพบนันก็เหาะลงมาอีกแล้ว บอกว่าเฮ้ย hey, แกยังไม่ได้สําเร็จอะไรสักหน่อยแกไปอวดรูอสําเร็จได้ไงเร็วๆ เ, เข้ารีบไปหาพระพุทธเจ้าอยู่โน่นแน่นี่ท่านก็เลยเชื่อท่านก็ เ, เชื่อพาหิยะเะชื่อรีบไปไปถึงเจอพระพุทธเจ้าพอดีพระเจ้ากำลังบิณฑบาตก็ไปถึงก็กราบลงไปทางทางแก่ผ่านั่นแหละอือพุทเจ้าก็เทศ ให้ทั้งทั้งแก้ผ้านั่นแหละแล้วก็ได้สําเร็จทั้งแก้ผ้าแอนแต่ทีนี้ชาติก่อนเนี่ยเอแกไม่เคยถวายผ้าจีวรไม่เคยทําบุญเรื่องผ้าจีวรผู้เจ้าอธิษฐานให้ผ้ามาผ้าก็ไม่มาอเอ้ยไปหาผ้ามาไปจะได้จะมาบวชกันย้นแกออกไปหางูเลยชนตายจ่อยอดบวช เพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่ชาติก่อนน่ะไปเที่ยวทําประพฤติคมขืนอนาจารเสร็จแล้วก็เลยเต้องถูกองัวเนี่ยฆ่าตายมาห้าร้อยช่าเนี่ยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแต่ก็ได้สาเป็จพระาอารหันเรื่องนี้ก็จบไว้ท่านี้ <c oughs> เป็นการ ถามตอบปัญหากันต่อไปว่าขอเชิญอาจารย์เสถียรภาพผันไพรโรดกราบธรรมสการประเดจพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ครับผมได้ฟังคำสอนของท่านพระอาจารย์และก็ได้ฟังการตอบปัญหาของสิทธิผู้ร่วมเรียนนั้นผมก็เข้าใจามาโดยตลอดผมมีเรื่องที่จะเรียนถามพระอาจารย์ก็คือ ที่พระอาจารย์ไปประชุมที่แคนาดาที่นิวยอร์กในพุทธศาสนาโลกนั้นเมื่อวานนั้นหลวงพอ่อได้ล่าให้ฟังว่ามีพระพิษุนีถึงสามร้อรูปผมอยากทราบว่าพระพิษุณีครองจีวรสีเหลืองและยังถือศีลสสิบข้อดังที่พุทธการหรือเปล่าหลวงทั้งการประชุมพุทธ ส, สนิกรัปันแห่งโลกนั้นหลวงพอ่อช่วยกรุณาสรุป เป็นความรู้ว่ามีข้อสรุปอะไรและมีวัตถุประสงค์อะไรครับผม อ, อภิกษุณีก็คองผ้าเหมือนกับพระ <c oughs> มองดูเกือบจะไม่รู้ว่าเป็นภิกษุณีซะแล้วหน้าตาผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันเวลาโกนผมแล้ว <c oughs> ทีนี้ที่ว่ามีพระภิกษุณี มากกว่าเพราะว่าพระภิกษุเนี่ยบทแล้วก็สึกเก่งภิกษุนี่เขาไม่เคยสึกก็เลยเหลือเยอะเป็นที่วัดในแคนาดานี่สามวัดอของอของเขาของฝ่ายมหายานมีสามวัดเป็น ภิกษุนี้เป็นเจ้าอาวาสทั้งสองวัดมีพระภิกษุเป็นเจ้าอาวาสวัดเดียวแล้วก็เขาถือศีลเนี่ย<ม>เขาบอกว่าเขาถือศีลตั้งสามร้อยแปดสิบเจ็ดข้อของพระเนี่ยสองร้อยสิบเจ็ดของเขาเขาบอกของเขาสามร้อยแปดสิบเจ็ดไม่รู้อะไรบ้างเ<ม>กิด<ม>เพราะว่า อ่านหนังสือจีนก็ไม่ออกอ่ะ <c oughs> และทีนี้การประชุมก็มีการพูดเถียงกันว่าทำไมประเทศไทยจึงไม่ยอมรับภิกษุณีแต่ว่าทางประเทศจีนไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีตลอดถึงที่เขาอยู่ทางสหรัฐแคนาดาเขาก็ยอมรับภิกษุณี หลวงพ่อก็ไม่รู้จะตอบอยังไง <c oughs> เขาก็แล้วบอกว่า อ, นนอันนี้มันเป็นเรื่องของพระผู้ใหญ่หลวงพ่อยังไม่ใช่เป็นพระผู้ใหญ่ถึงขนาดนั้นก็เลยบอกเขาไปอย่างนั้นแต่ว่าแล้วเขาถามว่าหลวงพ่อมีความเห็นด้วยไหมที่จะมีภิกษุณีบอกว่าเห็นด้วยคนที่เป็นประธาน ที่ประชุมนั่นคือเป็นพระภิกษุชาวเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์เป็น uh, ประธานที่ประชุม uh, อันนี้หลวงพว่อก็เลยบอกเขาบอกว่าถึงยังไงอะ่ะก่อนจะมาบวชเป็นภิกษุนีก็น่าจะคัดเลือกให้ดีกว่าพระภิกษุหน่อยแต่เห็นน่ะเห็นด้วยแต่ว่าเวลาจะมาบวชนี่คัดเลือกหน่อย ผู้ชายคัดเลือกให้น้อยหน่อยผู้หญิงคัดเลือกให้มากหน่อยพระองค์นั้นก็เลยบอกว่าอ้าวแต่อย่างนั้นก็ไม่เสมอภาคเสียสิทธิมนุษยชนหลวงพ่อก็เลยตอบเพราะว่ามันธรรมชาติของผู้หญิงผู้ชายไอเขาสร้างมามันก็ต่างกันอย่งั้นผู้หญิงก็มีลักษณ ะ, อ, ะอ่อนแอผู้ชายก็มีลักษณะแข็งแรงเพราะฉะนั้น จิตใจก็มีความอ่อนไหวผิดกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ยอมรับอันนี้อันนี้ไม่ได้มีการสรุปเพียงแต่ว่าได้ขอลองว่าขอให้ทางประเทศไทยได้พิจารณาอันนี้หน่อยเท่า น, นั้นเอง <c oughs> แล้วก็อีกข้อนหนึ่งก็มีการสรุปกันว่าเวลานี้เราจะเผยแพร่ พระพุทธศาสนาไปในที่ต่างๆนั้นยังขัดข้องด้วยวัฒนธรรมอย่างเราอย่างหลวงพ่อไปอย่างนี้ก็เป็นเทรวาดเวลาเขารับประเคนก็ต้องผู้หญิงมาประเคนก็ต้องเอาผ้ารับอย่างเนี้แต่เขาไม่ต้องจับกันได้เลยแล้วทีนี้เราไปประชุมเช้าประชุมก็ฉันทีนึง บปายห้าโมงประชุมก็ฉันอีก เ, ออ เ, ออเราก็ฉันไม่ได้ เ, เขาเป็นอย่างนั้นทีนี้เขาก็ฉันเจเราก็ไม่ได้ฉันเจอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมแต่หลวงพ่อก็เลยสรุปว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรจะถือเอามาเป็นเครื่องที่ขัดข้องในการที่เราจะเผยแพร่ธรรมะข้อปฏิบัตินั้นประเทศไหนก็ยอมรับ ยอมรับแล้วก็ให้ถือว่าเป็นยอมรับในเรื่องข้อปฏิบัติไม่จำเป็นต้องอถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็คือว่าทำยังไงพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกได้หลวงพ่อก็เลยบอกว่า เ, เวลานี้ชาวโลกเนี่ยต่างคนต่างก็ใช้พลังจิตกันไปเกือบจะหมดแล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้นพลังจิตเกิดการเสื่อมโทรมขึ้นมันก็ไม่มีอะไรจะมาเป็นเครื่องบังคับจิตใจจิตใจก็เกิดความเครียดเมื่อเกิดความเครียดก็เกิดการระบายระบายออกมาดีก็ดีถ้าหากว่าไม่ดีก็เกิดสงครามพุทธศาสนาเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมพลังจิตอันนี้ได้และเขาก็เลยย้อนถามขึ้นมาว่าเอาแล้วเราจะได้ คนที่ไหนเราไปนแนะนำสั่งสอนเขาอบอกว่าหลวงพ่อตั้งขึ้นมาแล้ว We พาวเ i อร t อ i นสติทิวอินทายล์วัดธรรมมงคลเราผิดผูขึ้นมาได้เป็นร้อยเป็นพันเขาว่าจริงเหรอจริงอ้าวถ้าอย่างนั้น เ, เขาก็บอกว่าจะขอมาดูอาจจะต้องเอา เราเป็นที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าถ้าหากว่าจะมาประชุมที่นี่เขาจะเป็นผู้สนับสนุนการประชุมก็คงจบทอนี้ <c oughs> นครับพระบุครับหลพ่อขอเชิญคุณหนูคล้ายจันนวลขอากาลเทศบาลพระอาจารย์ วผมได้ฟังคำอธิบายมาทุกตอนทุกวันนะก็รู้สึกว่าเข้าใจดีทุกอย่างแต่วันนี้ไม่มีคำไหนที่ต้องเรียนถามท่านอาจารย์ครับสวัสดีแสดงว่าได้ความรู้เต็มต่อไปขอเชิญคุณหวานช่วงโชษการของพ่อคะ่ะอม ดิฉันขออนุญาตไม่ถามค่ะอีกแล้วคนที่สองนะคนที่สามไม่ยอมน ะ, ะ, อะโอกาสหน้าจนหลวงพ่ อ, อต่อไปขอเชิญคุณหัตทยาแซนลิมกราบนะมัสการพระอาจารย์ค่ะคำถามที่จะถามนี้เป็นของเพื่อนๆ น, นะคะออนายอดิตชาตินะคะ พวกเราในรุ่นนี้มีความผูกพันกับพระอาจารย์อย่างไรคะขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตอบ ด, ด้วยค่ะแต่ชาติก่อน <c oughs> เราเกิดอยู่เมืองพระราณสีทุกคนเนี่ยเป็นแขกทั้งนั้น <c oughs> แล้วก็หลวงพ่อก็บวชเป็นพระทุกคนก็เป็นฆรวาดแล้วก็ไปทำนากันเสร็จแล้วก็ตายกันหมด <c oughs> <c oughs> มาเกิดเมืองไทย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาเกิดเมืองไทยตอนที่เอ่กรุงศรียุทธยาก็ไปรบพม่ า, มาก็ตายหมดอีก เ, เนี้ยอย่าอย่าว่าเป็นเรื่องจริงนะเรื่องนี้พูดสับพยอกโยญาอานักศึกษาทั้งหลายถือว่าเป็นรูปสิทธิ์ก็อาจารย์ก็คุยกันได้ทีนี้ก็จะพูดเรื่องจริงแล้วว่าคนเราเนี่ เ, นเกิดมาในแต่ละชาติ ที่จะต้องมาคบหาสมาคมกันหรือว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันนี่ก็ต้องมีมาแต่ในอดีตชาติแต่ว่าในกรณีเช่นนี้เราไม่สามารถที่จะพูดออกมาในกลางที่ประชุมอย่างนี้ได้เพราะเราไม่แน่ใจมมเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็พูดได้คำเดียวว่าแต่อดีตชาติเคยร่วมกันมาแล้วเป็นลูกศิษย์หรือเป็นอาจารย์แต่เมื่อมาถึงปัจจุบันชาตินี้ก็ได้มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ได้สอนกันต่อไปก็ขอตอบท่นนี่คอบพระคุณค่ ะ, ะก็ขอเชิญคุณอตินุอินทรเสนา กลับนมมัส ก, การพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์เจค่ ะ, ะสิ์มีเรื่องเล่าอยู่ซึ่งมีจุดสงสัยนะคะออตอนที่สมัยเรียนหนังสืออยู่ก็ได้ไปพักที่บ้านญาตินะคะซึ่งมีรูปปั้นเป็นผู้หญิงแต่งชุดไทยจุงกระเบ น, นะคะสูงประมาณขนาดเอวเรียกชื่อท่านว่าแม่อูทองวันหนึ่งก็ได้ไปดูหมอแล้วก็ มาดูบอะ ก, กว่ะนะแม่อูทองค่ะวันหนึ่งได้ไปดูหมอเหมาดูบอกว่าจะสอบตกก็เลยไปกราบแม่อุทองแล้วบอกว่าขอให้สอบได้ไปจุดทูปนะคะก็ปรากฏว่าวันคืนวันหนึ่งได้ตื่นมาตอนตีสามครึ่งได้เจอท่านยืนอยู่ที่ปลายเท้าแล้วก็เดินเข้ามาที่ศีรษกะกระซิบว่าอ่าจะได้ตามปรารถนานะคะอันนี้หลังจากนี้ก็เลยมีความเชื่อเรื่อง ก็ได้สมความปรารถนานะคะแล้วก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอีกบางนย่าแต่ว่าไม่คิดว่าไม่ต้องเล่าตรงนี้นะคะต่อมาก็เลยมีความเชื่อเรื่องออวิญญาณก็เลยไปถือศีลเมื่อมีโอกาสนะคะจงกระทั่งทํางานก็ยังคงไปถือศีลอยู่แล้วก็ได้ไปอยู่วิปากกรรมที่วัดเกตุมสมุทรสาครที่นั่นก็จะมีการ น, านั่งสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิหน้าพระาธาตุนะคะก็ไปอยู่หลายปี การนั่งสมาธิเนี่นเกิดปวดเมื่อยแล้วก็ไม่เคยทนที่จะนั่งสมาธิได้นานจนกระทั่งห้าหกปีไปแล้วก็คือออเปีหนึ่งก็อธิษฐานหน้าพระธาตุว่านั่งสมาธิเนี่ยมีจริงแค่ไหนแล้วเป็นสุขอย่างไรจะพบเป็นยังไงก็อธิษฐานปรากฏว่าผลของการนั่งสมาธิในวันนั้นเกิดอาการเหงื่อแตกไปทั้งตัวเจ็บปวดร่างกายไปหมดแล้วก็เ อ, อ ปรากฏว่าก็ทนนะคะทนแบบว่ า, าตั้งอธิษฐานไว้แล้วทนจกนกระทั่งความปวดนั้นมันมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าหลุดเปาะ อ, ออกไปเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเบาสบายแล้วก็ยกขึ้นจากพื้นก็เลยพอดีะระฆังตีค่ะก็เลยต้องออกจากสมาธิอยากจะเรียนถามพระอาจารย์หลวงพ่อว่าแม่อุทองที่เห็นนั้นเป็นอธิษฐานกายหรือเปล่านะค ะ, คะแล้วก็เป็นเทพที่ปกปักรักษาบ้าน เราจะแผ่กุศลกุศลไปให้จากการใส่บาตปกติได้ไหมเจ้าคะแล้วก็จากการที่นั่งสมาธิครั้งนั้นถือว่าได้สัมผัสกับปฏิสมานกายตัวเองหรือเปล่าเจ้าคะเอ่อที่ทำสมาธิก็ขอตัดตอนเจ้าแม่ซะหน่อย <c oughs> ว่าการนั่งสมาธิที่มันเกิดขึ้นนั้นนะ่ะเหมือนกับปุกเราะไปอย่างนั้นนั่นคือการตัดอารมณ์ อารมณ์ได้ตัดขาดไปเหลือแต่ใจดวงเดียวอันนั้นจะถือว่าเป็นการเข้าฌานไปได้แล้วก็การที่เกิดเช่นนั้นได้นั้นต้องมีพลังจิตที่สะสมมาเยอะเมื่อสะสมมาเยอะแล้วมาถึงตอนนั้นอะ่ะมาถึงตอนที่มันเออมันพอดีเออพอดีพอเพียงแห่งความต้องการ คำว่าพอเพียงแห่งความต้องการนั่นคือ <c oughs> เหมือนกับคนรับประทานอาหารเนี่ยมันจะไปถึงจุดอิ่มเพราะฉะนั้นที่ทรมามากๆม า, ม า, มาถึงตรงนั้นอะ่ะจาเรียกว่าผลที่เกิดขึ้นจากกระทำที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดเป็นองคชานขึ้นนอกจากเป็นองคชานแล้วก็ยังบังเกิดนิมิตอะไรต่างๆอสารพัดอะไรอย่างนี้ อันนั้นก็เกิดขึ้นจากจิตเข้าระวังแต่ว่ า, าหลวงพ่อก็ขออธิบายเพิ่มเติมว่าการทำสมาธินั้นจุดมุ่งหมายอยู่ตรงพลังจิตส่วนอื่นๆที่จะเห็นอะไรก็ตามถึงจะเป็นทานก็ตามเป็นอะไรก็ตามเราถือเป็นส่วนประกอบส่วนพลังจิตนั้นจะเต็มไปด้วย วัสนาบารมีแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในจิตใจของทุกๆคนเพราะฉะนั้น อ, อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาถึงเสียสงไขก็เพื่อพลังจิตนั่นเองเพราะพลังจิตนี้สามารถทำให้คน พ, นพ้นบุกได้ส่วนเรื่องของ จาแม่ก็คงจะคง จ, จ, จะยังไม่ตอบวอ <c oughs> ่าขออีกคนหนึ่งสุดท้ายคุณอนันทนานันวรกุลกราบน้ำมัตการพระอาจารย์ที่ครบรสิทธิ์ขอเรียนถามพระอาจารย์นะฮะคือเวลาสิทธิ์ออกจากการนั่งสมาธินะฮะทุกครั้งนะฮะจะรู้สึก ตัวร่างกายใต้ผิวหนังฮะคล้ายๆกับจะเป็นไข้นะฮะตัวตัวอุ่นๆนะฮะร้อนๆนิดๆนะฮะแต่ก็ไม่เหมือนกับการอาการของการจับไข้นะฮะรู้สึกคล้ายกับเอ่อเป็นคลื่นอุ่นๆจากศีรษะแผ่ไหลเอ่อลงไปวนไปตามทั่วร่างกายและแขนขานะฮะสักพักหนึ่งก็หายนะฮะ ปกตินะฮะอยากจะถามอาการเช่นนี้นะฮะ เ, เป็นอาการอะไรครับขอาอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับลักษณะคือมันเกิดปฏิกิริยาระหว่างอารมณ์พอเวลานั่งสมาธินี่มันจะมีการประทะคือ ตามปกตินั้นจิตใจนี้จะต้องนึกต้องคิดนึ่งนึกคิดตลอดทำใม้ได้นึกคิดอยู่มากๆยิ่งสุขสบายยิ่งนั่นคือหมายความว่าไปตามอารมณ์แต่พอเวลานั่งสมาธิมันจะต้องฝืนคือเรียกว่าทวนกระแสไม่ให้นึกคิดเมื่อมาให้นึกคิดแล้วจิตมันก็จะต้องประทะอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นจนกระทั่งกว่าจิตจะสงบ พอเมื่อจิตสงบได้แล้วก็ถือว่าชนะพอชนะแล้วมันก็ต้องเหมือนกับไล่ตัวพิษเนี่ยอยู่ในร่างกายเนี่ยในพิษในร่างกายก็คงจะฟุ่มเป็นพิษของอารมณ์ต่างๆเมื่อกาแสดงเป็นเหือแตกบ้างแสดงเป็นมีความร้อนบ้างแสดงอาการเหมือนไข้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่แสดงออกเช่นนั้นหมายถึงว่า เราชนะไปแล้ ว, ว, วอันนี้ถือว่าดีขอบคุณ <c oughs> อาจารครับ <c oughs>